ผู้เกิดแต่อกเกิดแต่พระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดแต่พระธรรมอันธรรมเนรมิตรคืออันธรรมสร้างขึ้นแล้วเป็นธรรมะทายาทคือเป็นผู้รับมรดกแห่งธรรมจึงรับผ้าบางสุกุลที่ทำด้วยผ้าป่านซึ่งยังใหม่เมื่อเขาจะพูดให้ถูกพึงพูดถึงผู้นั้นคือเราคือพระอากสปะเองว่าบุตรผู้เกิดแต่อกเกิดแต่พระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า เกิดแต่อกก็คือเกิดแต่พระปัญญาพระพุทธเจ้าเกิดแต่พระโอร์ก็คือเกิดจากพระวาจาคือที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทสามข้อนะเกิดแต่พระธรรมคือโอวาทสามข้อนั่นแหละเป็นธรรมให้พระมาการสบเป็นพระอาหารหันต์อันธรรมเนรมิตรแล้วเป็นธรรมทายาทเป็นผู้รับมรดกธรรมคือมรรคผลนิพพานรับผ้าบังสุกุลที่ทําด้วยผ้าปานซึ่งอย่างใหม่ พระมหากษาัตริย์บอกถึงคุณของพระองค์แก่ข อ, ของตัวท่านเองแก่พระอานนท์และกแก่พุทธบริษัททั้งหลายแลังจากนั้นท่านก็กล่าวอีกว่ารู้ก่อนอาวุโสเราหวังสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมแล้วเข้าถึงปฐมฌานมีวิตรกวิจารณมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่ก็บอกอีกว่าท่านสามารถเนี่ยเข้าฌานรูปฌานที่หนึ่งสองสมสี่อรูปฌานหนึ่งสองสามสี่จนกระทั่ง สุดท้ายเลยว่าดูก่อนอาวุโสเราทาให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสะวะไม่ได้เพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งเองในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ผู้ใดสำคัญเราว่าควรปกปิดด้วยอพินยาหกผู้นั้นก็ควรสำคัญช้างเจดศอกครึ่งหรือช้างเจดศอกหรือเจดศอกครึ่งว่าจะพึงปกปิดด้วยใบายตาลได้อันนี้ก็บอกเหมือนกันอีกว่าท่านมี อนุ ป, ปุพพะวิหารเก้าและอภินยาห้าจนกระทั่งถึงได้อรหัตมรรคอรหัตผลใครจะมาปกปิดคุณธรรมของท่านนะไม่ได้หรอกก็แลพิกษุณีทุลละนันธาเคลื่อนจากพรหมจรรย์เสียแล้วอันนี้ก็เหมือนกันอีกหนละคือพอพอได้ฟังคำของพระมหากัส ป, ปะนะก็ เกิดความเร่าร้อนใจที่ท่านกล่าวอย่างนี้ก็เพื่อจะแก้ข้อกล่าวหาของเขาที่บอกว่าเป็นเทตทีโดยโดยพระธรรคาถาอธิบายว่าบรรพชาของพระเถระนั้นบริสุทธิ์มีคำอธิบายว่าท่านผู้มีอายุคณิกล่าวถึงกล่าวถึง ผานนแล้วก็พุทธบริษัททั้งหลายอุปชาอาจารย์ของผู้ใดไม่ปรากฏผู้นั้นอุปชาไม่มีอาจารย์ไม่มีโกนหัวโลน้นถือเอาผ้ากาสายะเองถึงการนับว่าเข้ารีดเดร ถ, ถีหรือได้การต้อนรับตลอดหนทางสามคาวุธอย่างนี้ได้บรรพชาอุปสมบทด้วยโอวาทสามได้เปลี่ยนจีวรด้วยกายหมายความว่า เพระมาหากรสปานะี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่มีอาจารย์นะไม่ใช่ ม, มีอุปชาณ์นะไม่ใช่โกนหัวบวชเอาเองแต่ว่าผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอุปชาเป็นอาจารย์แล้วก็จะกล่าวว่าท่านเนี่ยเป็นเข้ารีดเดชถีหรือเป็นพวกอัญญาเดชถีได้อย่างไรท่านได้รับการต้อนรับเป็นระยะทางถึง3าคาวุฒิประมาณสักสิบสองกิโลเมตรเนี่ยจากพุทธเจ้าแล้วก็ได้เปลี่ยนจีวรเปลี่ยนสังขติ กับพระสมรถสัมพูิเจ้าเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายก็พึงเห็นคำคำพูดที่ชั่วของทุลละนันทาภิกษุณีใหม่ก็ถามถามดูว่าเห็นไหมว่าคำพูดที่กล่าวว่าเป็นอนญญาตเดยถีนะเป็นคำพูดที่ชั่วล่ายพระเถระได้บรรพชาบริสุทธิ์อย่างนี้แล้วก็เลยบรรลือศีหานาถด้วยอภิน ญ, ญาหกอันนี้ก็เป็นคาอธิบายของพระอัตฉร า, านะ นี่ก็เป็นเรื่องที่ในแม้ในสมัยนั้นเองเนี่ยเกติคุณของพระมหากัสปะก็ยังไม่แพร่หลายไปทั่วก็ยังมีนางภิกษุณีบางรูปที่ไม่รู้คุณของพระมหากัสปะโดยสมบูรณ์มาให้ล้าล่าวลายกันได้เพราะนั้นท่านจึงต้องกล่าวคุณธรรมของท่านตามความเป็นจริงเพื่อที่จะให้คนทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องมาว่าท่านอีกไม่ต้องมา มีจิตประทุษร้ายท่านอีกเดี๋ยวก็จะเกิดโทษมากมายต่อไปนี่เป็นเรื่องของพระมหากับสปะเถระที่น่าเลื่อมใสน่ายกย่องในคุณธรรมของท่านนะที่ท่านเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสมควรที่เป็นพระมหาสาวกองที่สมสมควรที่พระพุทธเจ้าจะท่งยกย่อง แล้วก็ไม่มีพระอาหารหันต์องค์ใดเลยที่สามารถได้แลกเปลี่ยนผ้าสังฆาติจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงถือว่าได้ให้ความยกย่องแก่พระเถระอย่างสูงบุคคลเช่นนี้แหละเป็นบุคคลที่เราควรจะคบหาสมาคมควรจะเคารพนับถือ เถิดไว้บนศรีรษะของเราเราจะเคารพกับพระมหากรุณาปักษ์อย่างไรก็เคารพกับคําสอนของท่านคําสอนของท่านก็เกิดจากปัญญาของท่านเกิดจากข้อปฏิบัติของท่านนั่นเองไม่ใช่ว่าจะต้องไปเห็นตัวท่านหรือว่าไปอยู่ร่วมกับท่านกินนอนกับท่านไม่ใช่อย่างนั้นคําสอนของท่านเป็นอย่างไรเราให้ความเคารพนับถือ แล้วปฏิบัติตามก็ชื่อว่าได้สมาคมอยู่ร่วมกันกับท่านดังที่ได้กล่าวไว้แล้วนะว่าการใ น, ในต่อตอนต้นว่าสาหุทัศนะมริยานังสันนิวาโสสธาสุขโขอทัศนีณภาลานังนิจเจเมวะสุขีศิยาการพบเห็นเหล่าอริยะบุคคลเป็นการดีดีในที่นี้หมายความว่าเห็นคุณนะ ถ้าไม่เห็นคุณแล้วมันจะไม่ดีก็ได้เดี๋ยวจะไปว่ารายท่านเดี๋ยวจะไปพูดติเตียนท่านแต่ต้องเห็นคุณของท่านนะการอยู่ร่วมด้วยลาวอริยบุคคลให้เกิดสุขทุกเมื่อการอยู่ร่วมกับพระญาบุคคลแล้วเนี่ยให้เกิดความสุขเหมือนกับเราเนี่ยได้อยู่ร่วมกับคาของท่านเนี่ยนะคาสอนของท่านาเราจะเกิดความสุข หรือถ้าเป็นไปได้เราประพฤติไปตามคาสอนท่านยิ่งยิ่งจะประจักษ์แจ้งในความสุขนั้นบุคคลพึงเป็นผู้มีสุขเป็นนิจแท้จริงเพราะไม่พบเห็นพวกคนผานเรานี่จะมีความสุขตลอดไปอย่างแท้จริงเลยก็คือไม่ได้พบคนผานเนี่ยนางธุละติดสาภิกษุณีหรือว่าธุละนันทาภิกษุณีเนี่ยเป็นคนผานใครไปอยู่ร่วมด้วยก็จะต้องเกิดความทุกข์ คือเขาจะคิดร้ายเขาจะพูดร้ายเขาจะทําร้ายคนพาลมีลักษณะอย่างนั้นเพราะว่าคนพาลไม่ได้ดําเนินชีวิตด้วยปัญญาดําเนินชีวิตอยู่ด้วยโมหะความไม่รู้ดําเนินชีวิตอยู่ด้วยโทสะโลภะหรือว่าดําเนินชีวิตอยู่เพียงสักว่าลมหายใจเข้าออกไปวันๆหนึ่งอันนี้นี่ก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นใครไปอยู่ร่วมกับคนพาลแล้วก็จะต้องลําบากรับรองว่าไม่ได้ความสุขจากคนพาล เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าบุคคลเป็นผู้มีความสุขเป็นนิดแท้จริงเพราะไม่พบเห็นคน่านและอย่าได้ไปได้ยินคำของคน่านถ้าคนพานเขาสอนไว้อย่างไรแล้วเราเกิดไปจำไปเกิดไปได้ยินแล้วเอามาระลึกถึงนั่นก็จะเป็นความทุกข์แก่ตัวเราเองเพราะนั้นต้องเลือกให้ดีคนพานเดี๋ยวนี้มีเยอะเขียนหนังสือธรรมะหรือพิมพ์หนังสือธรรมะ อ้ากว่าเป็นผู้ศาสนาเนี่ยออกมาเยอะแยะคนไม่ได้พิจรารณานึกว่าเป็นของพระพุทธเจ้าจริงเอาไปคบหาเอาไปปฏิบัติตามเข้าเสร็จเลยเท่ากับว่าได้อยู่ร่วมกับคนพานเป็นนิดคนพานนี่เป็นได้ทั้งภิกษุภิกษุสามเณรนะอย่าไปคิดว่าเป็นไม่ได้ก็นี่ตัวอย่างชัดเจนอยู่แล้วภิกษุภิกษุณีศึกกันไปเยอะแยะไปหมดแล้ว ในเรื่องที่เรานํามากล่าวเพราะฉะนั้นในสมัยนี้ก็ยังมีภิกษุที่เป็นพานแล้วก็สั่งสอนแบบผานผานแต่คนยกย่องก็มีนะเพราะว่าคนพานเนี่ยยอมยกย่องผานด้วยกันเองมันไม่มายกย่องคนเป็นบัณฑิตหรอกเพราะฉะ น, นั้นพระทีกรระ่กล่าวธรรมะมั่วสั่วกล่าวธรรมะ ลับลาศาสนาก็มีคนนับถือได้ก็มีพวกคนพานด้ยวยกันนับถือเพราะอะไรเพราะในโลกนี้คนโง่คนพานมันมีมากบัณฑิตมีน้อยแล้วบัณฑิตนอกจากจะมีน้อยแล้วเราจะไปรู้จากบัณฑิตเนี่ยก็ยังรู้ได้ยากซะอีกเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเพราะว่าคนเที่ยวสมาคมกับคนพานย่อมเศร้าโศกตลอดการยืดยาวนาน ไปคบกับคนพาลแล้วไม่ต้องกลัวจะได้แต่ความทุกข์เศร้าโศกเดือดร้อนเสียใจอยู่ในนรกหรือถึงแม้ในมรกคมนุษย์ก็ตามเนี่ยถ้าเราไปคบกับคนพาลหรือคบตามคาสอนของคนพาลก็จะได้รับความทุกข์ยืดยาวตลอดกาลนานความอยู่ร่วมกับพวกคนพาลให้เกิดทุกข์เสมอไปเหมือนความอยู่ร่วมกับศัต ร, ตรูศัต ร, ตรูเนี่ยมันจะไม่เคยทำให้เรามีความสุข มันจะทําร้ายเราตลอดเช่นเดียวกันเราไปอยู่กับพวกคนพาลก็จะเกิดทุกข์คนพาลในนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าจะต้องเป็นพวกจี้ปล้นอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะพวกที่ไม่มีปัญญาพวกที่มีความเห็นผิดแล้วคําสอนของพวกเขาก็เหมือนกันเราไปอยู่ร่วมด้วยแล้วก็คือไปปฏิบัติตามไปเห็นตามด้วยแล้วก็มันเกิดทุกข์เสมอเพราะคนพาลเนี่ยย่อมจะสอนหรือย่อมจะพูดถึงแต่เรื่องสิ่งที่ผิด แต่บอกว่าเป็นสิ่งที่ถูกโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งไอ้ความเห็นผิดเนี่ยคนพ่านเนี่ยเขาจะบอกเลยว่า mm hmm. การทำกรรมดีเนี่ยไม่มีผลสัตว์ตายแล้วก็ศูนย์เสมอกันนะไม่ไม่มีอะ้ตายแล้วเนี่ยคนดีจะไปสวรรค์คนชั่วจะขับกลับชั่วไปรกไม่มีชาติหน้าไม่มีโลกหน้าไม่มีวัฏฏะสงสารเนี่ยมันไม่มี ไอ้ น, นี่แหละไล่แรงไลยแรงมากเพราะฉะนั้นนักปราดมีความอยู่ร่วมกันก็เป็นสุขเหมือนสมาคมแห่งญาติาหมายความว่าญาติเนี่ยมันอยู่กันแล้วมันมีความสุขนะเราเรามารวบญาติกันแล้วลื่นเลงชื่นใจโอ้ทักซักถามกันกินข้าวเด็กกันอะไรกันมันปลื้มใจนี่พี่นี่น้องเราเนี่ยฉันใดก็ดีก็เหมือนกับบัณฑิตทั้งหลาย อยู่ร่วมกันด้วยเป็นสุขเพราะว่าอยู่ร่วมกันด้วยปัญญาด้วยศีลด้วยศรัทธาอย่างเดียวกันจึงเป็นสุขนักปราชญ์ทั้งหลายเขารู้จากขันรู้จักธ า, าตุรู้จั ก, จกอรนะิยณะรู้จักทุกในขันทุกในอรนะิยะความไม่เที่ยงในขันในธาตุเขาเขารู้เพราะฉะนั้นเขาก็เหมือนกับเป็นญาติกันเป็นญาติกันตรงนี้มีปัญญาเหมือนกันเหมือนกับคนเป็นญาติที่เกิดมาจากบรรพบรุษเดียวกันปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้อง เกิดมาด้วยสายโลหิตเดียวกันแต่นี่ไม่ได้ไม่ได้เอาสายโลหิตเอาด้วยสายแห่งปัญญาสายแห่งความดีเมื่อยู่กัจะเป็นสุขเพราะคนที่เป็นนักปราชญ์เขาจะไม่พูดเรื่องอื่นนะเขาจะพูดแต่เรื่องจริงเรื่องเป็นประโยชน์เขาจะทําแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์เป็นความสุขเกื้อกูลแก่ตัวเขาเองและผู้อื่นเพราะฉะนั้นแล้วท่านทั้งหลายจงคบหาผู้ที่เป็นปราชญ์ และมีปัญญาทั้งเป็นพระหูสูตรนำทุระไปเป็นปกติมีวัดเป็นอริยะบุคคลเป็นสัตว์ประหุดมีปัญญาดีเช่นนั้นเหมือนพระจันทร์ส่องเสพครองแห่งนักขัดเตเริบชั้นนั้นฉะ น, นั้นนี่เป็นคาถานะคาถาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มีเนื้อความอธิบายอีกว่า การพบเห็นพระยาบุคคลเป็นการดีนั้นหมายความว่าเป็นการยังประโยชน์ให้สำเร็จคือทำกรรมดีให้เจริญเราไปคบกับพระญาบุคคลแล้วเนี่ยเราจะได้กรรมดีมีการฟังธรรมเป็นต้นหรือสนทนาธรรมหรือการปฏิบัติธรรมหรือมงคลต่างๆจะเกิดเราท่านจะบอกว่านะ จงเคารพนะจงเคารพในมารดาบิดาจงบำรุงเลี้ยงดูจงรักษาศีลเถิดอะไรอย่างเงี้ยท่านจะบอกเพราะว่าอิยะบุคคลนั้นท่านท่านเป็นผู้ที่มีปัญญารู้จักกรรมดีและกรรมไม่ดีนอกจากจะเป็นการก่อให้เกิดประโยชน์สำเร็จแล้วอ๋ ท่านบอกว่าการพบพระญาติบุคคลเหล่านั้นหาใช่เป็นความดีอย่างเดียวไม่ถึงการที่ไปนั่งร่วมกับพระญาติบุคคลในที่เดียวกันก็ดีการที่จะได้กระทําวัดปฏิบัติแก่พระญาติบุคคลเหล่านั้นก็เป็นการดีโดยแท้คือเราไปพบพระญาติบุคคลแล้วไปไหว้ท่านไปกราบท่านไปปฏิบัติท่านบํารุงท่าน ก็ทำให้เราได้ดีคือทำให้เกิดสุขทุกเมื่อบุคคลพึงเป็นผู้มีความสุขเป็นนิดแท้จริงเพราะไม่พบเห็นคนพาลก็เนื่องจากว่าคนพาลมันจะชักชวนเราไปทํากรรมชั่วนั่นเองแล้วถ้าเผื่อเรามีฉันทะคือพอใจที่จะเป็นเพื่อนกับคนพาลก็จะต้องทํากรรมชั่วไปแล้วก็จะต้องได้รับความทุกข์ความเศร้าโศกสิ้นการยาวนาน เหมือนกับว่าอยู่ร่วมกับศัตรูคือศัตรูนี้มีดาบอยู่ในมือก็จะฆ่าเราหรือว่าไปอยู่ร่วมกับอสอร พ, พิษงูมีพิษมันก็จะกัดเราชั้นใดก็ดีการอยู่ร่วมกับคนพาลก็ฉันนั้นเหมือนกันแต่การอยู่ร่วมกับบัณฑิตนั้นทําให้เกิดสุขถามว่าให้เกิดสุขได้อย่างไร ตอบว่าเหมือนกับสมาคมอยู่ร่วมกับหมู่ญาติฉะนั้นเพราะว่าการสมาคมแห่งหมู่ญาติอันเป็นที่รักทำให้เกิดสุขคือต่างคนต่างเมตตากัรต่างมีความรักการจึงเกิดความสุขการอยู่ร่วมด้วยนักปราชญ์ก็ทำให้เกิดสุขฉนั้นอาการอยู่ร่วมกับคนพาลเป็นทุกข์อยู่ร่วมกับบัณฑิตเป็นสุขโดยสรุปแล้วอยู่อยู่อยู่กับพาลเป็นทุกข์ อยู่กับบัณฑิตเป็นสุขเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงคบหาคือเข้าไปนั่งใกล้ท่านผู้ที่เป็นนักปราชญ์สมบูรณ์ด้วยปัญญาทั้งโลกียะและโลกุตระปัญญาโลกิยะก็คือปัญญาที่ไปเห็นเรื่องกรรมเรื่องผลกรรมว่านี่กรรมของเราอะไรเป็นกรรมของเราเนี่ยเว้นจากการฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นกรรมของเราเพราะทาประโยชน์ให้แก่ชีวิตเราเราไม่ฆ่าเขาเราก็จะได้อายุยืนเราก็จะได้มีเออ ความไม่มีเวรไม่มีไฟภัยเป็นต้นหรือว่าเรามีปัญญาวิปัสนาปัญญาวิปัสนาปัญญาก็ยังเป็นโลกิยะอยู่กําหนดรู้ลักษณะของนามว่าไม่เหมือนรูปรูปไม่เหมือนนามรูปมีลักษณะไม่ไม่มีการรู้อารมณ์นามมีลักษณะมีลักษณะน้อมไปรู้อารมณ์รูปมีลักษณะย่อยยับนามมีลักษณะ น้อมไปรู้อารมณ์อย่างนี้นะแล้วก็เห็นความเกิดดับของรูปนามอันนี้เรียกว่าวิปัสนาปัญญาอันเป็นโลกิยะแล้วโลกุตตระปัญญาก็คือมรรคปัญญาผลและปัญญาอย่างนี้เรียกว่าผู้มีปัญญาและผู้เป็นพระหูสูตรก็คือพูดถึงพร้อมด้วยอาคมและอธิคมอาคมเนี่ยหมายถึงว่าไม่ใช่อาคมขลังคือจําได้หมดอาคมเนี่ยหมายถึงที่มาที่มาก็คือพระพุทธพจน์ อีิคมก็คือว่านำคำสอนพุทธเจ้าปฏิบัติจนได้เห็นมรรคผลนิพพานคาว่าผู้นำธุระไปเป็นปกติคือหมายความว่าปฏิบัติไปเพื่อให้ถึงพระอรหันเพื่อให้เป็นพระอรหันมีชีวิตอยู่เพื่อปฏิบัติให้บรรลุเป็นเป็นพระอรหันชนะื่อว่าผู้มีวัดคือมีศีลและทุดงคาว่าวัดเนี่ย เป็นปกติศีลในตอนรักษาเป็ปกติเรียกว่าวัดทุดงก็เหมือนกันที่เรียกว่าอริยะเพราะว่าไกลจากกองกิเลสที่เรียกว่าสัตบุรุษคือมีปัญญาดีอย่างนั้นอ่ามีปัญญาดีคือคื อ, คอมีปัญญารู้จักกระทํากรรมดีๆเหมือนพระจันทร์ซ่องเสพอากาศอย่าอันไม่มัวหมองฉะนั้นคือพระจันทร์เนี่ยเขาจะเดินไปเดินไปในอากาศเขาเรียกคลองแห่งนักขัดตะเรืคือมันมี ดวงดาวต่างๆมากมายแล้วก็ตั้งชื่อดวงดาวเออนี่น ะ, ะเลิกสุขาอวิสาขาเลิกอ ะ, อะไรอย่างเงี้ยอัดสยุเลิกอะไรเงี้ยว่าเออดวงดาวเดินมาถึงตรงนี้แล้วเดินมาตรงนี้แล้วดวงดาวนี่เดินไปโดยไม่ติดขัดชั้นใดก็ดีเอาการคบกับนักปราดเป็นต้นนั้นก็จะทำให้เราเนี่ยได้รับ ประโยชน์ได้รับความสุขเป็นปกติของชีวิตเหมือนพระจันทร์ที่เดินขึ้นเดินลงในวันในยามกลางคืนอย่างนี้ น, ะนี่ท่านแสดงให้กับใครฟังมีเรื่องก็คือทาคาถาธรรมบทในสุขวัตเรื่องของเท้าสักกะแสดงให้เท้าสักกะฟังนะแล้วก็แสดงให้ พุทธบริษัททั้งหลายด้วยคาถาที่กล่าวนี้มีเรื่องว่าพระศ า, าสดาเมื่อประทับอยู่ในเวลุวัคามทรงกล่าวถึงท้าวส ก, กะมีความพิสดารว่าท้าวส ก, กะเทวราชทรงทราบความที่พระศาสดาอาพาธคือป่วยมีอาพาธลงพระโลหิตคือโลหิตไหลเกิดขึ้นแก่พระตถาคต ในเมื่อพระองค์ทรงปรงอายุสังขารแล้วคือพระเจ้าทรงปรงอายุว่าอีกสมเดือนจะปรินิพานแน่ท้าวสกกก็ทราัพระศ า, าสดาได้เกิดอาพาธลงพระโลหิตท้าวสกกาจึงคิดว่าการที่เราไปสู่สำนักของพระศ า, าสดาแล้วทำขีลานุ ป, ปัฏฐากย่อมควรคือบำรุงด้วยายาบำรุงด้วยการ รับใช้ในฐานะที่เป็นเป็นกีฬานุปัต t ากกเขาว่ากีฬานุปัต t h ากอันนี้ก็หมายถึงว่ารับใช้ผู้ป่วยไข้เหมือนกับพยาบาลเหมือนกับหมออย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นท้าวส ก, กะเทวราชก็ละอัตภาพประมาณสาขาวุธเสียคือทำร่างกายให้เป็นเหมือนคนธรรมดาเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาถวายบังคมแล้วทรงนวดพระบาทด้วยพระหัตถ์ทั้งสอง ดังนั้นพระศาสดาตัดถามเท้าสักกะว่านั่นใครคือเธอเป็นใครท้าสักกะตอบว่าข้าพระองค์คือเท้าสักกะพระเจ้าค่าพระศาสดาถามว่าท่านมาทำไมท้าสักกะตอบว่ามาเพื่อบารุงพระองค์ผู้ประชวรพระเจ้าข่ามานวดพระบาทพระมุติเจา้าแล้วก็นวดพระหัสน์นวดนวดไปไดเรื่อยพระศาสดาจึงกล่าวว่าจึงตัดว่าท้าสักกะ ก ล, ลิ่นของมนุษย์ย่อมปรากฏแก่เทวดาทั้งหลายเหมือนซากศพที่ผูกไว้ที่คอตั้งแต่ร้อยโยศ์ขึ้นไปท่านจงไปเถิดภิกษุผู้คี้ลานุบัติถาของเรามีพระเจ้าก็รู้ว่าเทวดาเนี่ยเขามีจมูกทิพย์เพราะนั้นเขาเข้ามาระยะร้อยโยต์เนี่ยเขาก็เหม็นเหมือนเหม็นซากสุนัขแล้วเหม็นกลิ่นมนุษย์เหมือนซากศพ แต่พวกเราเนี่ยไม่รู้สึกเพราะจมูกเรามันโสโปรกอ่ะจมูกเรามันถ่านดินน้ําลมไฟมันไม่สะอาดก็เลยเลยไม่รู้สึกเหม็นเว้นไว้เท่แต่ว่ามันมันเหม็นจริงๆนะเช่นอุจจาระปัสสาวะออกมาเนี้ยครับรู้ดได้แต่ว่าของเทวดาเขาเนี่ยได้กลิ่นแล้วพอเข้ามาอยู่ร้อยโยตร้อยโยชนี่ก็ 1ันหกร้อยกิโลเมตรนะไม่ใช่ธรรมดานะเรียกว่าเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาไปอยู่บนอากาศพันหกร้อยกิโลเมตรเขายังได้กลิ่นเราเลยพระนัพุทธเจ้าจึงบอกว่าท่านจงไปเถิดที่สุผู้คิฬานุปัฏฐาของเรามีท้าวสักกะจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ อยู่ในที่สุดแห่ง 84% ดหมื่นี่พันยอดคืออยู่ไกลถึง 84% ดหมื่นพันยอดคือไกลเหลือเกินก็ยังสูดกลิ่นแห่งศีลของพระองค์มาแล้วยังได้ยังได้รู้ศีลของพระองค์กลิ่นแห่งศีลอัน ง, งดงามของพระพุทธเจ้านะศีลนี่ก็คือการเว้นจากบาปทั้งปวงเนี่ยนะของพระพุทธเจ้าได้แล้ว ข้าพระองค์นี่แหละจากบำรุงจากไม่ไปละจากบำรุงพระศาสดาจากรับใช้พระพุทธ เ, เจ้าแล้วไม่ให้บุคคลอื่นถูกต้องภาชนะพระบางคนหนักของพระศาสดาแม้ด้วยมือคือห้ามเลยว่าไม่ต้องที่ พ, พุทธ เ, เจ้าทรงถ่ายพระบางคนหนักคืออุจจาระนะที่ใส่ในกระโถนไม่ให้ใครท้าศ ก, กะทรงทูลทูล ภาชนะที่ใส่พระบางคนหนักของพระศาสดาไว้บนพระเสียนทีเดียวนำไปอยู่คือไม่ได้ไ ด, ได้สูดกลิ่นของของอุจจาระแต่ละลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าไปว่าพระพุทธเจ้าทรงมีคุณอย่างนี้คืออรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชชาชนะสัมปันโนจิตใจก็เกิดความศรัทธาได้สูด กลินแห่งความบริสุทธิ์ของศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติของพระยาม า, ส, มาสัมพุทธเจ้าเทิดพระเสียรไปเลยคือนําพระมงคลหนักถือว่าพระมงคลหนักนั้นเป็นเหมือนพระาธาตุของพระของมัสยามาสัมพุทธเจ้านําไปทิ้งที่เวชจกักรดีหรือที่ส้วมไม่ได้กระทําแม้อาการสักว่าการเสี่ยยวพระพักคือทําได้ ่แย่ๆทาหน้าแบบไม่ไม่พอไม่ไม่พอใจหรือทําหน้าเหม็นๆนะนะแต่ยิ่งพระพักก็คืออาการที่ใจมันผิดปกติไปแล้วโอ้โหนี่เราแบกอุจจาระไปนะไม่ใช่อย่างนั้นแม่อุจจาระของเราเองเนี่ยเวลาเราได้กลิ่นแล้วก็ยังหน้าไม่ค่อยจะดีเลยเพราะมันเหม็นแต่เราทาสก่าไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยเพราะเหตุว่าได้กลิ่นศีลของพระพุทธเจ้า อยู่ในหัวใจเต็มที่แล้วได้เป็นนุดนำภาชนะของหอมไปคือเหมือนกับว่านำเอาของหอมเช่นน้ำหอมอันเลิศเนี่ยอันอันมีกลิ่นหอมหรือว่าไม้หอมไม้จันแดงอันหอมไปนำไปอย่างนั้นคือนึกถึงพระคุณพู้เดจ้าแล้วนึกถึงบุญที่เรามาทำแล้วปลื้มใจว่าพระผู้มีแระภาคเจ้า ทรงมีคุณอย่างสูงสุดเราก็ได้บุญอย่างสูงสุดที่ได้มาบำรุงรับใช้ถ้าเธอปฏิบัติพระศ า, าสดาอย่างนี้แล้วในเวลาพระศาสดามีความสำราญคือหายจากอาพาธนั่นแหละจึงได้เสด็จกลับไปภิกษุประชุมพูดกันขึ้นว่าน่าสรรเสริญท้าวสกกะเทวราชมีความิเนหามีความรักในพระศาสดาแต่ความจริงความเคารพนะ ความเคารพศรัทธายำเกรงในพระพุทธเจา้าเท้าเธอทรงละทิพยะสมบัติทิพยะสมบัติเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงล่ะเห็นปานชานี้เสียได้คือไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับความสุขในโลกมนุษย์นี้มันเทียบกันไม่ได้ถ้าเท่ากับเศษทุลีของทิพยะสมบัติของเท้าสกฤตเทวราชเนี่ยเฉพาะแต่ รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ได้รับเนี่ยก็ยากที่จะพรลนาบรรยายออกมาให้ได้หมดทรงนำภาชนะสำหรับรองพระบางคนหนักของพระศ า, ศาสดาออกไปด้วยพระเศียรเอาวางบนศรีรษะออกไปหาทรงทำรรอาการมาดว่าเสายิวพระพักไม่ทําหน้าเสียหน้าไม่ พอใจเนี่ยไม่มีเลยดุดดังบุรุษผู้นำภาชนะอันเต็มด้วยของหอมออกไปอยู่ฉะนั้นได้ทรงกระทำอุปปัฏฐากแล้วทำการบำรุงรับใช้อย่างนี้ด้วยความเต็มใจเลือบใสอย่างยิ่งภาษาสดาทรงสดับถ้อยคำของภิกษุเหล่านั้นจึงได้ตัดถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดเรื่องอะไรกันภิกษุเหล่านั้นก็กราบทูลว่าพูดเรื่องนี้พระเจ้าข้า พระศาสดาจึงตัดว่าภิกษุทั้งหลายข้อที่เทา้าส ก, กเทวราชทำความศิเนหาในเรานั้นไม่น่าอัศ จ, จรรย์ที่ทำความรักความเมตตาในพระศาสดานั้นไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเพราะเทา้าส ก, กเทวราชนี้ฟังธรร ม, มเทศนาแล้วเป็นโสดาบันพอเป็นโสดาบันก็ละความเป็นเทา้ากสกะ ชราที่แก่ใกล้จะตายถึงความเป็นเท้าสักกะหนุ่มด้วยอาศัยเราคือท่านเนี่ยคือพระเท้าสักกะเนี่ยแก่แล้วจะตายก็เกิดความกลัวตายก็เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้เท้าสักกะฝังจนเป็นพระโสดาบันก็ตายจากเท้าสักกะก็มาเกิดเป็นเท้าสักกะใหม่อีกนั่นแหละ คือไม่ไปลงระลอกนะถ้าเผื่อว่ายังไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยไม่แน่แล้วเดี๋ยวจะไปตกระลกก็ได้เพราะว่ า, ามัวเมาอยู่มัวเมาอยู่ในความสุขจิตใจมันก็ไม่ได้มีกุศลอะไรเกิดมากแต่พอฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้เป็นมัโสโดามันแล้วก็ตายจากท้าสกกาก็เกิดเป็นท้าส ก, ก่อีก แต่สาเหตุที่เขาไปฟังก็กลัวกลัวตายแก่แล้วขนาดเทวดายังกลัวเลยนะคนจะไม่กลัวยังไงนะเราเนี่ยยิ่งตายเร็วกว่าเท้าสักกะอีกหรือตายง่ายกว่าเพราะเท้าสักกะเขามีอายุยืนมากนับเป็นหลายโกฏล้านปีนะเราก็ควรจะเข้าฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ่อยๆเพราะเราก็ไม่รู้ว่า ความตายจะมาถึงเราวันนี้พุ่งนี้พระพุทธเจ้าตัดต่อไปว่าแท้จริงเมื่อเท้าเธอเสด็จนั่งในถ้ำกลางเทพบริษัทณอินทะสารคูหาในการเมื่อตนถูกมรณะภัยคุกขามคือเมื่อเห็นความตายจะมาถึงแล้วเนี่ยกลัวมากเลยเท้าสักกะทมคนทันเทพบระบุชื่อปัญจะีขะข้างหน้าเสด็จมา ก็ให้บริวารที่เป็นเทพบุตรเป็นคนทันเป็นนั ก, นกดีดพินชื่อว่าปัญจสศิขะนําหน้านําหน้ามามาเฝ้าพทุทธเจ้านํามาก่อนร้องเพลงมาก่อนเพราะเป็นนักร้องเพลงแล้วก็กล่าวสารเส ร, ริญคุณพระพุทธเจ้ามาด้วยนะเราได้กล่าวว่าคือพระพุทธเจ้าได้กล่าวว่าดูก่อนท้าวาสวะชื่ออีกชื่อหนึ่งของท้าวสักกะชื่อทาววาสวะ ท่านจงถามปัญหากับเราท่านปราถนาปัญหาข้อใดข้อหนึ่งในพระหไทยเราจะทำที่สุดแห่งปัญหานั้นๆของท่านไดแน่แท้้าวสักกะต้องการเอาเฝ้าผู้เเจ้าแล้วก็มีปัญหามาด้วยเพราะเขาก็มีปัญญาปัญหาหนึ่งดูเหมือนจะเป็นว่าเพราะเหตุไรเนี่ยมนุษย์และเทวดาเนี่ยก็ต้องการปราถนาความสุข อะไรเหตุไนจึงต้องวิวาทกันเล่าในบาดทนาความสุขทำไมมันต้องทะเลาะกันตมนุษย์ทะเลาะกับมนุษย์เทวดาทะเลาะกับเทวนาเนี่ยเพราะเหตุอะไรไม่ใช่ไ ม, ไม่ใช่มีเรื่องความสุขมานั่งทะเลาะกันวิวาทกันฆ่ากันทําร้ายกันอย่างที่